ถ้าใจยอมรับความจริงก็จะไม่ทุกข์วงเล็บเปิดยี่กรกฎาคม2 5 5 1ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดในพระไตรปิฎกมีนะบอกพระอรหันต์เจริญสติปัฏฐานจิตพรากออกจากขันไม่รู้เจริญทำไมเจริญเป็นเครื่องอยู่ไงเจริญสติปัฏฐานไปจิตพรากออกจากขันจิตไม่เกาะกับขันทำยังไงก็ไม่เกาะพยายามน้อมน้อมมุดมุดให้เกาะมันไม่เกาะจริงหรอก พอจะเคลื่อนไปแต่นิดนึงก็กระเด้งขึ้นมาไม่มีการเกาะกันเลยเหมือนแสงแดดที่ผ่านไปในอวกาศไม่กระทบกระทั่งอะไรเลยไม่มีปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาในอวกาศเลยมืดมืดไม่มีอะไรสะท้อนแสงจิตพระอระหันต์ก็อย่างนั้นแหละผ่านไปในความว่างว่างอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีอะไรย้อมได้ไม่มีกระทบกระทั่งไม่มีกระเทือนไม่มีร้อนนะจิตของปุถุชนยังร้อนอยู่ จิตของพระโสดาบันสกิทาคามีพระอนาคามีก็ร้อนแต่จิตพระอนาคามีร้อนน้อยร้อนน้อยมากจนกระทั่งเรียกว่าเย็นเย็นฉ่ามีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละมีความสุขอยู่ทั้งวันจนกระทั่งตอนที่มันหมองๆหน่อยนะหมองๆหน่อยเริ่มไม่มีความสุขแล้วทนไม่ได้ต้องดิ้นรนค้นคว้าขึ้นมาอีกตรงที่ดิ้นรนค้นคว้าเรียกว่าฟุงซ่านฟุงซ่านในธรรมะไม่เป็นกลาง วันใดเป็นกลางต่อสภาวะทุกสภาวะเห็นทุกๆสภาวะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นกลางใจยอมรับความจริงเมื่อใจเข้าถึงความจริงยอมรับความจริงแล้วมันจะไม่ทุกข์จำมาไว้นะถ้าใจยอมรับความจริงก็จะไม่ทุกข์อย่างร่างกายนี่ถ้ามีสติปัญญามากรู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอมันแก่ต้องเจ็บต้องตา ย, มตตตายไม่ทุกข์หรอกเพราะรู้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ จยอมรับเหมือนหลวงพ่อวันชัยท่านไม่สบายเป็นโรคซึ่งไม่มีทางรักษาหรอกถ้าให้ยายาก็ไปทำลายยาเป็นสารเคมีก็สะสมเข้าไปตายวายอีกตายก็ขับสารเคมีไม่ได้ถ้าไม่ให้ยาก็ตายให้ยาก็ตายเพราะฉะนั้นต้องตายอย่างสงาา่าผ่าเผยไหนๆก็จะตายแล้วบอกนอนดูมันตายหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านก่อนวันที่ท่านจะตายคนก็นึกว่าเราจะไปปลอบโยนให้กาลังใจไปถึงเราก็บอก เครื่องหมายคำพูดเปิดท่านอย่างไรก็ตายแน่ครับรอบนี้ในไหนจะตายแล้วก็ตายอย่างนักรบนะตายอย่างสง่าผ่าเผยนอนดูมันตายไปเลยเรารักษาจิตอันเดียวนี่แหละปิดเครื่องหมายคำพูดบอกท่านอย่างนี้แล้วก็บายบายไปรักษาเอาเองนะบอกท่านว่าถ้ารู้จิตรู้ใจได้รู้มันลงไปถ้ารู้ไม่ได้ดูกายมันตายถ้าทาไม่ได้จริงๆคิดถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสมถะ รู้จิตได้รู้จิตไปรู้จิตไม่ได้ดูกายมันไปมันจะตายก็ให้มันตายไปทำไม่ได้ก็ทำสมถะคิดถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้นี่ตายอย่างนี้เรียกว่าตายเป็นพวกเราระว่างตายอย่างเขียดต้องฝึกฝึกเอาเรื่อยๆของท่านใจถึงนะสุดท้ายเห็นคุณเหน่งมาบอกว่าท่านไม่รักษาด้วยไม่กินยาที่หมอให้เลยเพราะกินยาก็ตายเร็วอีกนั่นแหละเดี๋ยวกินแล้วเบลอถ้ากินแล้วจะเบลอๆกดประสาท ท่านคอยดูคอยดูเอาเห็นกายนี้ทุกทุกกายมันทุกนะใจไม่เอาแล้วใจไม่เอาใจก็ถอยออกมาถอยออกมาแต่โดยธรรมชาติของมันมันไม่ทิ้งทีเดียวมันวิ่งเข้าวิ่งออกมันนอนอยู่อย่างนั้นแหละสามสี่ทีนะเห็นไปเห็นมาฮ้จิตมันเป็นอนัตตาก็ตายอย่างนั้นแหละก็ตายอย่างพระไม่ใช่ตายอย่างเขียดพวกเราต้องฝึกนะฝึกไปวันหนึ่งเราก็ต้องใช้ทุกคนต้องเจอ ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักไม่ใช่ศึกล้มรัฐบาหลหรอกศึกนี้ใหญ่กว่ากันเยอะเลยต้องฝึกต้องซ้อมเอาไม่ต้องกลัวหรอกเราจะวาดภาพความตายเอาไว้น่ากลัวเกินจริงที่จริงคนเรากลัวเจ็บก่อนตายแต่ถ้าเจ็บหนักๆแล้วอยากตายไม่กลัวตายแล้วเมื่อไรจะตายสักทีนี่รู้สึกอย่างนั้นแล้วเวลาจะตายมันจะตัดความรับรู้ทางกายออกไปก่อนเหลือแต่ความรับรู้ทางใจกายมันดับความรู้สึกลงไป ตรงที่รับรู้ทางใจนี่แหละชิงทงกันในนาทีนี้แหละมันจะเกิดนิมิตขึ้นมานิมิต ด, ดีหรือนิมิตเลวถ้ามีสติปัญญาแก่กล้านิมิต ด, ดีเกิดขึ้นก็สักว่ารู้สักว่าเห็นวางไปถ้าวางไม่ได้ก็จับเอานิมิตที่ดีถ้าอากุศลให้ผลเกิดนิมิตที่เลวขึ้นมาเราเคยฝึกสติปัญญาของเรารวดเร็วสติทํางานวับเลยทั้งทั้ที่ร่างกายไม่รู้สึก จิตทำงานปรุงนิมิตไม่ดีขึ้นมาสติระลึกปุ๊บเลยระลึกที่ไหนระลึกที่จิตจะเห็นเลยจิตมันกลัวขึ้นมาระลึกอย่างนี้คนทั่วๆไปพอนิมิตไม่ดีเกิดสมมติเห็นต้นงิ้วขึ้นมาจิตมันจะจับจับปุ๊บจับต้นงิ้วรู้สึกอีกทีกำลังปีนอยู่แต่ผู้มีสติปัญญาเห็นต้นงิ้วปุ๊บย้อนมาเห็นจิตเลยนี่จิตกลัวความกลัวขาดสะบัน้นแล้วนรกหายไปในขณะนั้นเลย แต่ละคนสร้างนารกของตัวเองสร้างขึ้นมาเองฉะนั้นนรกไม่มีวันเต็มมีพลเมืองเท่าไหร่ก็ขยายสัมปทานไปได้เรื่อยๆไม่เต็มหรอกเพราะทุกคนสร้างของตัวเองขึ้นมาค่อยฝึกเอานะฝึกไปไม่ยากอย่างที่คิดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ใกล้ตายการปฏิบัติก็ยังย่อหย่อนล้มลุกคลุกคลานแต่ผู้ปฏิบัติเวลาใกล้จะตายจริงๆมันฮึดสู้นะใจมันฮึดสู้มันเข้มแข็ง มันรู้แล้วไม่มีที่พึ่งอันอื่นแล้วหลวงพ่อปราโมทก็ไม่ใช่ที่พึ่งแล้วเพราะหลวงพ่อปราโมทมาเยี่ยมแล้วบอกบายๆเธอต้องตายแน่แล้วรอบนี้ไม่มีเลยนะโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายถ้าหลวงพ่อจะบอกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายจากโรคโรคลอลิงไม่ใช่หายจากโรคหรอกเราอย่าไปหลอกกันนะเห็นไหมหลวงพ่อพูดความจริงท่านตายแน่เลยรอบนี้พูดด้วยเมตตาไหมเมตตาอ่อนหวานไหมอ่อนหวานนะ พูดเสียงนุ่มนวลเลยท่านรอบนี้ไม่ไหวแล้วพูดถูกกาละเทสะพูดในนาทีใกล้ตายแล้วถูกกาละเทสะอีกไม่ถึงยี่สชั่วโมงตายแล้ววันนั้นไปเห็นก็รู้แล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วรู้ไม่ต้องรู้ด้วยญาณทัศนะใดๆทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้เก่งอย่างนั้นหรอกหลวงพ่อเห็นการหายใจของท่านก็รู้แล้วน้ําท่วมปอดจะตายแล้วเราเห็นคนใกล้ตายมาหลายคนแล้วหายใจเหมือนปลาใครหายใจเหมือนปลาทําใจเอาไว้เถอะ ไม่นานหรอกไม่กี่ชั่วโมงหรอกหายใจด้วยกระบางลมถ้าญาติโกโหติกาหายใจอย่างนี้ทำใจเอาไว้เถอะอีกไม่นานหรอกไม่กี่ชั่วโมงหรอกนี่ถ้าเราฝึกภาวนาดีใช่ไหมคนตายจิตมันร่าเริงไม่ใช่เสียอกเสียใจความแก่ความเจ็บความตายแทนที่จะเป็นของน่ากลัวนะจิตใจของผู้ปฏิบัติเผชิญมันด้วยความกล้าหาญด้วยความร่าเริงนี่เราฝึกของเราอย่างนี้ตัวเองจะตายก็เหมือนกัน คนที่เรารักจะตายก็เหมือนกันจิตใจมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเราต้องฝึกของเราวันหนึ่งทุกคนต้องตายวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักไม่เขาตายก่อนเราก็ตายก่อนเขาหรือไม่ตายมันก็ทิ้งเราไปฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองเอาไว้ค่อยฝึกเอาไม่ยากอย่างที่คิดหรอกง่ายมากเลยฝึกไปอยาขี้เกียจเท่านั้นแหละคำแสลงสำหรับวัดนี้คือคำว่าขี้เกียจ จิตหนูไม่ดีค่ะไม่ว่าสักคำหนูขี้เกียจค่ะอุ๊ยอยากจะชูดในวงเล็บโยนออกนอกวัดไปเลยมันโง่แสนจะโง่นะขี้เกียจนี่มันคล้ายๆไฟไหม้บ้านจะคลอกตาอยู่แล้วยังบอกขี้เกียจลุกหลวงพ่อช่วยให้กำลังใจให้หนูลุกหนีไฟหน่อยบอกเออตายตายไปฉะนั้นอย่าขี้เกียจนะขี้เกียจนี่โง่ที่สุดเลยชีวิตเรากำลังล่อแหลมอยู่ในอันตรายตลอดเวลาจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เลย ฉะนั้นเราต้องฝึกคอยรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นไม่รีบร้อนแต่ไม่ขี้เกียจไม่รีบร้อนหมายถึงฉันต้องบรรลุเมื่อ น, นั้นเมื่อ น, นี้อย่าไปคิดมันเลยทุกวันแค่อย่าขี้เกียจตื่นขึ้นมาคอยรู้กายตื่นขึ้นมาแล้วรู้ใจรู้ได้ทั้งวันยิ่งดีรู้มากที่สุดเท่าที่รู้ได้รู้แล้วก็เผลอรู้แล้วก็เผลอห้ามรู้ตลอดเวลาถ้ารู้ตลอดเวลากลายเป็นการเพ่งตายแล้วเป็นพระพรหม เวรกรรมต้องไปเฝ้าโรงแรมลำบากเดี๋ยวนี้เขาเอาใครต่อใครมาเฝ้าโรงแรมหลายชนิดรู้สึกไหมมีพระพรหมมีพระอินทร์พระศิวะพระนารายณ์พระพิคเนตใช่ไหมมีอะไรๆขนมาเฝ้าโรงแรมหมดเลยลำบากมากนะเทวดาอย่าไปเป็นเลยภาวนาให้มันพ้นทุกข์พ้นร้อนไม่ต้องเกิดดีที่สุด